วันนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการ ะ, ระแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสึบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องของอุ ป, ปาทานคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นซึ่งแสดงออกมาในลักษณะต่างๆเมื่อว่าโดยหลักตามของความเป็นจริงแล้วก็คือเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะ ที่สร้างความยึดจิตด้วยอานาจของความรู้สึกในกรณีนั้นัน้นตามปกติแล้วจะส่งจับแนกไว้เป็นสี่ประการบ้างสประการบ้างแต่ว่าจะจํบแนกด้วยจำนวนมากน้อยอย่างไรก็ตามโอคงไม่อืดไปจากกลุ่มของกิเลสทั้งสามกองที่ทกล่าวแล้ว ด้ลกล่าวถึงเรื่องของทิฏาฐปาทานคือจิตที่ยึดบั่นหรือบั่นโดยอำนาจทิฏฐิคือความเห็นของตนในเรื่องของความเห็นของบุคคลทั้งหลายนั้นส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากพื้นอัยาศัยของบุคคลผู้นั้นที่ยวสัยปัจจัยแวดล้อมตัวเองเกี่ยวข้องกระจูในท้องถิ่นันนั้ น, น, นไม่ได้พบได้เห็นในสูตรอื่น ก็ไปปักใจขวางใจเอาว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ตามความเชื่อถือของตนอย่างที่เราพูดกันว่าเป็นความรู้ของกบที่อยู่ในสัตว์ถึงแน่นอนในส่วนหนึ่งก็ก็ถูกอย่างนั้นเพราะว่าเขาตัดสินมาจากสิ่งที่เขาประสบภายในสัตแต่ถ้ามองในแง่ของความจริงทั่วไป ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพรลักษณะที่เป็นสากลถึงผู้ศาสนาได้ทรงแสดงเอาไว้ก็คือลักษณะที่เหมือนกันของสรรพสิ่งอย่างที่เราสวดกันว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายการพรัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะสากลคือจะมองกิจจุดย่อยก็ได้มองกิจจุดใหญ่ก็ได้ แล้ถ้ามองในแนวนี้พระพุทธศาสนาจะแสดงในรูปของสเพแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงคนนี้ท่านสาธารณชนมึงสังเกตว่าก็จะใช้น้อยจ้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์มันก็คงพูดได้ท่านี้ แตเวลาพูดถึงเรื่องของอนัตตาก็ทรงใช้กรว่ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคำว่สังขาร น, นั้นมีขอบข่ายที่แคบคือไม่ได้กล่าวถึงนิพพานไว้ด้วยนิพพานนั้นเป็นวิสังขารคือปราศจากเครื่องปลุกแต่งเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าทรงใช้จึงใช้กรว่ธรรมะคือไม่ใช้กรว่สังขาร เพื่อจะให้ครอบคลุมทั้งสิ่งที่เป็นสังขารและวิสังขารแต่ต้องก็เรียกชื่อรวมอีกทีหนึ่งว่าเป็นธรรมะธรรมะที่จริงบางอย่างก็เป็นคำกลางๆกง็จะต้องเน้นลงไปให้ชัดว่าเป็นกุศลธรรมหรือเป็นอกุศลธรรมหรือเป็นอภยากตะธรรมแต่สำหรับในกรณีทั่วไปเรามักจะมองไปในแง่ของความดี ส่วนทิฏฐิคือความเห็นอันที่จริงแล้วก็เป็นได้ทั้งสองทางคือดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ถ้าท่านต้องการเน้นให้ชัดเจนมากยิงขึ้นถ้าเป็นความเห็นผิดท่านจะใช้คําว่ามิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเป็นความเห็นชอบถูกต้องตามความเป็นจริงท่านก็ใช้สมารท์ทิฏฐิแต่ถ้าหากว่าทิฏฐิเข้ามาโด ด, โ ด, ด โดยไม่ได้มีสัมมาหรือมิจฉาอยู่ข้างหน้าจะหมายถึงความเห็นในทางที่ผิดเป็นว่าจะมีคำอื่นมาควบอยู่ข้างหลังจะเรียกทิฏฐิสัมปันโนเปราสมบูรณ์โดยทิฏฐิในกรณีนี้หมายถึงกุศลเป็นคุณบทหรือคุณสุบัติของพระยะบุคลระดับพระโสดาบันขึ้นไป ลักษณะของที่ถูกปาทานที่กล่าวนี้แล้วก็อยู่ในกลุ่มของพวกอกุศลแต่ก็ให้เกิดความยึดติดในลักษณะที่หยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างเช่นการยึดติดในแนวับหยาบที่ก็ให้เกิดเป็นความดื้อรั้นการถกเถียงจะตลอดถึงการทะเลาะวิวาทกันความยึดในแนวนี้จะมีการเคารพตัวเองเป็นหลัก ให้ความต้องการเก็บตัวเองมากกว่าบุคคลดออื่นหรือว่าสิ่งดออื่นเอาตัวเองเป็นฐานในการวิชัยตัดสินความถูกความผิดที่เราเรียกอีกอหนึ่งว่าอัตตาธิปฐตใจก็คือตัวเองเป็นใหญ่เป็นความถูกต้องเป็นความดีงามท้าไม่เป็นไปอย่างที่ตัวคิดก็ถือว่าเป็นความไม่ถูกต้องไม่ดีงามแต่ความเห็นผิดในลักษณะที่ ลึกซึ้งที่อยู่ระดับกลางคือไม่รุนแรงมากนักก็กลายเป็นพวกความเห็นในลักษณะต่างๆคือส่วนหนึ่งมันก็พกฝังได้แต่ว่าถ้าโดยละเอียดแล้วก็ฝังไม่ได้เช่นพวกที่ถือว่าสังขารสับ ต, ต่งางๆหรือโลกทั้งปวกนั้นเป็นของเที่ยงบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง เราจะพบว่าในบางจุดมันก็ฟังได้ในขณะนั้นๆแต่ไม่ใช่เป็นความถูกต้องทั้งหมดส่วนบางอย่างเป็นความเห็นที่ออกจะละเอียดแล้วก็ยากต่อการทำความเข้าใจต้องอาศัยการปฏิบัติทาจิตให้ส ง, งบแล้วก็มองสั์สังขารทั้งหลายเหล่านั้นที่ตั้นจดเป็นเรื่องของสากกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตนเป็นของตน หรือว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครนีท่านสาธุชนทั้งหลายจะต้องมองกลับมาที่ใจเราเองคือเรามองออกข้างนอกแล้วจะเข้าใจได้ยากการมองธรรมะจึงต้องมองกลับมาที่ตัวเราแล้วก็ดูเหตุที่ใจเราธารรมะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของกิเลสกิเลสนั้นเป็นเหตุของความทุกข์เมื่อเกิดขึ้นภายในใจแล้วจะขับแคบจะอึดอัดจะ ร, ร้อนร้อนจะแปดเผา จะก่อให้เกิดความอาการแข็งกระด้างขึ้นภายในใจของตนเองบางครั้งมันก็ยอมไม่ได้แม้จะมีการพูดจาชี้แจงให้เกิดความเข้าใจอย่างไรก็ตามแต่ว่าความเห็นยึดติดของท่านเป็นอย่างนั้นเขาก็รับฟังความยิงที่ถูกต้องไม่ได้า็นี้บางครั้งบางคราวจึงต้องใช้การเวลา ามาช่วยเหลือเพื่อกรอบกลาวจิตใจของท่านผู้นั้นให้เกิดสมยอมคล้อยตามเหตุตามหลักของความจริงแล้วก็พูดความจริงกันในโอกาสต่อไปคนนี้จะตัวอย่างที่เคยยกมาให้ท่านทั้งหลายฟังในโอกาสอื่นที่เรื่องของพระรู้เวลากัรสะบัดคนนี้ประเด็นสำคัญของความเห็นก็คือท่านมีความเห็นว่าท่านนั้นเป็นพระราหารันลูกศิษย์ท่านเป็นพระราหารัน พระเจ้าไม่ใช่เป็นพระอาดาจัแม้ว่าพระเจ้าจะแสดงความดีเด่นเหนือกว่าให้เห็นด้วยวิธีการต่างๆมากมายในขณะที่อยู่ร่วมกันท่านรู้เวลากัะสปะก็มีความชื่นชมยินดีในอิทธิปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าทรงแสดงตลอดถึงาการใช้พวกมโนมยิฐ เกิดววิธีการต่างๆท่านก็ยอมรับว่าพระมหาสมณะองค์นี้มีอนุภาพมากจริงแต่ไม่เป็นพระาอารหมนเหมือนเราเพราะคาว่าแต่ไม่เป็นพระาอารหันเหมือนเรานั้นก็ให้เกิดอาการกระด้างแล้วก็แขกดีแล้วดูมินดูมินบุคคลหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเพราะนัจากเท่าที่จิตของท่านเป็นอย่างนี้ แม้จะ่างอื่นจะมีความพร้อมมากพอสมควรแต่ความคิดแต่ความรู้สึกตอ่อพระพุทธเจ้าของท่านยังมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระหรัเพราะนั่นงตา่ากว่าท่านความพร้อมที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมตลอดถึงมอบกายถาวายชีวิตบวดในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ต้องทำในตอนหลังนะก็เกิดขึ้นไมได้เพราะนันวันดีขึ้นดีที่ได้มีการ ลดอิจฉความเกลียดความถือผิดความคับใจผิดในลักษณะนี้ออกไปแล้ว ก, กลับใจยอมรับรับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอรหันสมาสัมพุทธะท่านไม่เป็นนั่นก็คือความรู้สึกเคารพเทิดทูนบูชายกย่องพระพุทธเจ้าไว้อยู่เหนือตนกระทำให้บุคคลมีความอ่อนโยนพร้อมที่จะสับต่อฟังพระธรรมเทศนา ในที่สุดท่านพร้อมด้วยบริวารกับบรรลุปปรผลหลังจากได้ฟังอธิตักปรย า, ยาสุดนี้คือตัวอย่างของจิตใจที่ประกอบด้วยกิเลสประเภทเป็นทิฏฐิคือไปเกาะติดอยู่ตรงใดตรงหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมา ก, กอะไรบางทีก็เป็นการตัดรอนโอกาสที่จะได้รับผลสู ง, สงในทางศาสนา มันทิฏฐิบางสิ่งบางอย่างจึงสร้างอาการที่เราเรียกคล้ายๆชักระเยาะอยู่ภายในใจเราจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงเราก็เถียงกันถ้ารู้สึกว่ายอมรับว่าจริงเนี่ยเราจะสูญเสียคือเรามีความรู้สึกเราสูญเสียในขณะนั้นถ้ายอมรับว่าเราไม่จริงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ในขณะนั้น หมายถึงว่าสภาพจิตเราอยู่อย่างนั้นเรามีความเห็นอย่างนั้นก้อนี้รองสังเกตดูไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกแม้แต่การพูดเรื่องการให้ทานเนี่ยคือศาสใดที่เรายังไม่รู้สึกว่าเราได้ในขณะที่เราให้แต่เราไม่มีความรู้สึกว่าเราได้การให้ทานก็เกิดขึ้นไม่ได้ แต่ต่อเมื่อใดที่เราสละส่วนที่เป็นรูปวัตถุสิ่งของต่างๆจึงเป็นสังขตธรรมมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปโดยธรรมชาติของแก่เนี่ยให้เป็นฐานแก่บุคคลแก่สถานที่แก่องค์กรซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การรับทักษิณาฐานเหล่านั้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราได้ มีความสงบมีความเยือกเย็นมีการขัดเกลาวไปในใจแล้วการสนสง่อนันก็ช่วยเราในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าตลอดถึงชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อๆไปถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าเรามีความพร้อมที่จะทำความดีได้แต่ใจยังไปยึดเอาวัตถุเป็นตัวกาหนดรู้สึกแหมถ้าให้ไปกองมันก็เล็กลงของมันก็น้อยลง เปนความสูญเสียของตนเองเพราะงั้นคนเหล่านี้ก็จะไม่ให้แต่ขนาดใดที่เขาเข้าใจว่าการกระทำนั้นเขาได้ผลที่ยั่งยืนกว่ายาวนานกว่าแ้วเขาก็จะทำดูแม้แต่การทำความดีเหล่าอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นการปิบัติธรรมะบางอย่างมันมีการไต่อันดับขึ้นไป ก็ไม่ใช่บางอย่างก็ทุกอย่างอะไรก็ตต่อันดับขึ้นไปเรืเร่อยๆในกรณีที่เรากำลังตต่อันดับอยู่เนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นอานิสงส์ของตัวที่เราจะต้องตต่ขึ้นไปเลนโทษของการเกาะติดอยู่ในตัวที่เรากำงเป็นเราก็ไม่นิรันดรตัวอย่างเรล่านี้ดูสภาพจิตเราง่ายๆนะเช่นขณะที่เรารับประทานอาหาร ยาหหลายอย่างแต่เราเกิดพอใจในอาหารชนิดหนึ่งแม้คนอื่นจะอธิบายถึงโทษของอาหารเหล่านั้นแต่เราไม่เห็นมาจากโวยใจเราไม่ทิ้งแต่วันใดเราเห็นมาจากโดยใจโดยการบอกคนอื่นก็ตามโดยการเห็นของเราเองก็ตามเราจะละจานอาหารนั้นแล้วก็ไปคว้าจานอื่นซึ่งมีคุณค่าทางอาหารมากกว่า การปฏิบติธรรมะ ท, ที่ท่านบอกว่ามีลักษณะก้าวไปข้างหน้าคือปฏิบัติไม่ถอยหลังสํานวนบาลีท่านใก้คำว่าอนิวัติปฏิปทาคือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถอยหลังกลับแต่จะก้าวรุดไปข้างหน้าได้เรื่อยมันเป็นแบบธรรมชาติต้นไม้ก็จเจริญเติบโตขึ้นไปนเรื่อยคนก็เจริญเติบเตขึ้นไปเรื่อยความรู้ก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยนั้นเป็นลักษณะาการ ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เพิ่มคุณค่าของสิ่งนั้นของไม้นั้นของคนนั้นให้สูงขึ้นซึ่งหมายความว่าในสิ่งที่เรากำลังทอยู่นี่มันก็ดีแล้วแต่ยังมีสิ่งที่ดีกว่านั้นเราก็ขยับไป จ, จะจะรักษาศีห่าถ้ารักษาได้มันก็ดีแล้วพระเจ้าก็สอนให้คิดว่า ความความดีอย่างอื่นนะฮะที่เราจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอีกหรือไม่หรือหมดแล้วก็มาดูที่ตัวเราว่าเราไปทำไปถึงไหนถ้าทำไปถึงจุดนั้นทำหมดทุ้อย่างถ้าหมดแล้วก็แล้วไปนะแต่คนหมดแล้วมันเป็นพระอรหันต์หรือคนทั่วไปมันก็ไม่มีใครทำความดีได้หมด ก็มองว่ามีความดีที่ทําได้ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงตอนนี้หรอกเราก็ใช้ความพยายามไปเรื่อยๆตราอาจจะเดินมาจากศีลข้อที่ไหนยกตัวอย่างเอาสีลข้อที่สามก็ได้กำลังดังอยู่เฮว่าศีลข้อที่สามนั้นในส่วนที่เป็นศีหน้ามันเป็นความผิดสากลคือผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรม แต่าใครจะไปละเมิดในส่วนใดของโลกก็ตามก็จะมีความผิดในประเทศที่ไม่มีบทบัญญัติทางาศาสนาก็มีบทบัญญัติของกฎหมายแต่ส่วนใหญ่แล้วจะสอดคล้องกันทั้งกฎหมายและาศาสนาแล้วก็มีอยู่ในคำสอนของาศาสนาต่างๆแน่นอนเราก็ปฏิบัติสํารวมระวังได้ไม่ประพฤติผิดในทางประเวณีไม่ล่วงเกินกู้ครองกับกันและกัน เกิดว่าจิตใจก็ยังเล่าร้อนแผดเผได้วยแรงกับหนัดแรงขัดเคืองยังคขว่คว้าปรารถนาอารมณ์ทั้งหลายอยู่ที่ก็ยังหมกมุ่นวุ่นวายอย่างกัน เ, เรื่องต่างกันทำยังไงจะเกิดความสงบใจเท่าไหน่ถามมากๆก็คงไม่ได้เราสาวโบสดสิ้นใช่เดือนละสี่ครั้ง พนมาพอมาถึงอุโบโสถติสินนั้นจะไม่มีลักษณะสากลแล้วคือสีข้อที่สามเป็นอภรรมแปลว่าการประพฤติพรหมจรรย์หรือการประพฤติชีวิตประเสริฐรือการประพฤติอย่างพรหมไม่มีความเกี่ยวข้องทางเพศแม้กับสามีปัญญาของตัวเองในาศาสนาอื่นเขาก็ทำได้นะฮะ แต่ในอื่นก็ไม่มีคำสอนในระดับนี้ขงดเว้นเฉพาะส่วนกาเมตันเองแต่อพรรมนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพราะงั้นเขาก็มีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองเขาได้ตามปกติมนุษย์ทั่ๆไปสัตว์โลกทั่ๆไปแต่พอมาถึงอยู่จุดนี้มันก็เป็นเรื่องกลุ่มคนเล็กๆที่เกาะกลุ่มกันอยู่อย่างในเมืองไทยเราก็มีอุบาสกทิรกสุบาสิกาที่รักษาอุบสถศีลเดือนละสี่ครั้ง ครั้งละวันหนึ่งก็คือหนึ่งก็มีวสุบาศิกาที่รักษาศีลแปดท่จะรักษาได้กี่วันก็เป็นเรื่องของท่านแต่หมายความว่าช่วงนั้นท่านก็ไปละเมิดไม่ได้แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็แม่ชีซึ่งรักษาศีแลแปดกรต่ายเท่าที่ยังเป็นชีอยู่สามเณรซึ่งรักษาศีลสิบก็กรายเท่าที่เป็นสามเณรอยู่ พระซึ่งรักษาศีลสองร้เจ็ดบเท่าที่ยังเป็นพระอยู่ก็ต้องรักษาศีลอันอนี้แต่ศีลเหล่านี้จะเป็นความผิดเฉพาะคนที่ปฏิญาณตนเข้ามารักษาเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นไม่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมคือไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่เป็นการผิดกติกาสัจปะปฏิญญาณของบุคคลเหล่านั้นเองแล้วก็เป็นบาปของเขาเอง ไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลอื่นซึ่งเปีดกับการค่าสรรัตว์การหลักทรัพย์กระทบกระเทือนบุนคคลเดิมแต่เราก็มองเห็นว่ามันดีขึ้นแระนิ่งขึ้นเราก็เพียงพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็หมายความว่าที่จริงมันก็ดีด้วยกันแต่ว่ายังมีส่วนที่ดีกว่าแต่พอขึ้นไปตรงนี้ก็ออกอาจยา ขึ้นไปทางกรรมฐานได้เพิ่มสีให้สูงขึ้นหรือเพิ่มธรรมะให้สูงขึ้นก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆที่จริงพระจะทรงแสดงในลักษณะนั้นคือแสดงให้เดินไปเรื่อยๆให้ก็รุดไปข้างหน้าอย่าถอยหลังก็ได้กันแต่เห็นท่าไม่ไหวก็ให้ยืนอยู่กับที่ก็ยังดีดีกว่าถอยหลัง นั่นคือธรรมะปฏิบัติซึ่งจะต้องอาศัยการขจัดทิฏฐิคือความเข็นที่ก่อให้เกิดการยึดติดเช่นศีหน้าดีแล้วสีหน้าประเสริฐที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะดีไปยิ่งกว่าศีหน้าแม้จะดีสีหน้าดีแต่ไม่ใช่ประเสริฐสุดไม่ใช่มีคุณธรรมที่เหนือกว่าศีหน้าไม่มีที่ยังยังมีคุณธรรมต่างๆ่างอีกเป็นมากที่เหนือกว่าสีหน้า ด้านสาธารณชนหลายอย่างน้นอยที่ถูกปาทานบางครั้งเนี่ยแม้ยึดติดในความดีมันก็เป็นอุปาทานเช่อนอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องด้วยการปฏิบัติตามหลักของมารติปาทานทั้งเท่านั้นถูกต้องการปฏิบัติไม่ถูกต้องอะไรั้นนีแ้แสดงเห็นว่าก็สิ่งที่เราไปยึดที่จริงก็ดี แต่อาการยึดนั้นไม่ดีเพราะไรเพราะว่าธรรมะที่เราปฏิเสธไปเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงของโรงไว้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในหัวข้อเหล่านั้นแต่ในภาพปฏิบัติแม้สองบรรทัดที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วบุคคลปฏิบัติได้ก็เป็นธรรมะทั้งปวงที่มีสั่งสอนอยู่ รอผลที่ต่อเนื่องกันไปก็จะเกิดขึ้นในเองเราทำนองคล้ายๆกับการเปิดไฟหรือการอะไรที่ดูง่ายๆนะคือแสงสว่า ง, งเกิดขึ้นความมืดหายไปสิ่งที่อยู่ในที่มืดปรากฏก็เป็นอาการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเราทำนองคล้ายๆเราทำให้เย็นในที่หนึ่งในส่วนใกล้เคียงก็พลอยเย็น เราก็จะลดความร้อนในที่นั้นด้วยทั้งๆที่เราต้องการทําให้เย็นนะเมื่อก่อมันร้อนอยู่เราก็พูดถึงความร้อนเราทําให้เย็นได้ยึงกับความร้อนความล้อนไปจนถึงก็หมดสิ้นไปนี่คือหลักของธรรมะปฏิบัติเจถามว่าสติปัฏฐานดีไหมเก็บอกว่าดีแต่ถ้ายึดติดในลักษณะนั้นดีไปก็ไม่ดี ดังบางครั้งพระเจ้าก็ทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าทำทั้งปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมันและได้เชี่ยเห็นในลักษณะคล้ายๆการเดินทางของคนมันต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนเรือขึ้นเครื่องบินก็ไป น, นีแหลไปถึงกแลก้วแต่ในในแต่ละจุดถ้าเราเกิดยึดติดเราก็ไปไม่ได้แล้ว ฉันสมมุติว่าจะลงรถแล้วเพื่อไปขึ้นเครื่องบินพอไปถึงท่าอากาศยานเสียดายรถไม่ยอมลงจากรถเลยก็ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินกันถ า, ถามารถดีไหมมันก็บอกว่าดีแต่ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วยังจุดหมายปลายทางยังไปไม่ได้เพราะว่าต้องขึ้นเครื่องบินแล้วก็ลงรถอีกแล้วอาจจะต้องขึ้นเครื่องบินต่อไปอีกก็ไ้ คือมายความว่าในจุดที่เราใช้เราก็ยึดอยู่ในสิ่งเดล่านั้นแต่ทําให้สมบูรณ์ในจุดเดียนั้นแต่ในจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องทิ้งจุดเดิมซึ่งเราเคยคุ้นเคยเราเคยชื่นชมยินดีอยู่เนี่ยต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นให้ได้แล้วก้าวต่อไปเหมือนการเปลี่ยนรถเปลี่ยนเรือเปลี่ยนเครื่องบินเปลี่ยนอะไรเนี่ยปลี่ยนการเดินเท้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรื่อจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ในเหล่านี้ท่านใช้คำบาลีว่าอิด้าไม่ว่าสจังโมขับมันอย่างอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงบางทีก็เป็นการปฏิเสธแม้ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเองจึงกลายเป็นลักษณะของความเมียนผิดร้อยเกิดการยึดติดแล้วก็พร้อมที่จะทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่นเพราะอะไรเพราะพอมีคนค้านเราก็ไม่พอใจ แล้วเจะก็เถียงกันเถียงกันต่างคนต่างก็ถือรันด้วยทิฏฐิคือความคิดเป็นความเห็นของตนหรือแม้ไอ้ฝ่ายหนึ่งจะไม่ถือรันก็ตามแต่พอเถียงกันแล้วความคิดก็ฟุง้งซ่านความคิดฟุง้งซ่านแล้วจะไม่สํารวมไม่สํารวมจิตจะห่างจากสมาธิอ่างจากสมาธิแล้วก็จะทําอะไรไปตามนักของกิเลสอาจจะขึ้นเสียงดังอาจจะด่าวา่าอาจจะยกมือยกไม้ อาจจะเงื้อมือเงื้ไม้อาจจะลงมือทุบตีกันหรืออาจจะถึงกับทำอะไรก็นตุดแรงนั่นก็เป็นอาการไหลเป็นอาการไหลของกระแสกิเลสที่กระแทกกระทันใจแล้วเพิ่มปริมาณความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยไาถึงจุดหนึ่งเราก็คุมอะไรไม่ได้กลายเป็นความเห็นผิดที่แรงๆเพราะความเห็นผิดที่แรงๆจริงๆมันก็อาจใช้การสะสม การสะสมไปเรื่อยๆเรายกตัวอย่างว่าอาหารในเมืองไทยเราบางภาคของจิตเป็นอาหารที่น่ากลัวมีเชื่อพญาติในตับพยาติไปไม้พญาติปักขออะไรแต่ละผัดก็พูดกันมาตั้งนานนะแต่อธิบายไม่ได้มาชี้แจงไม่ได้ชี้แจงเขก็โกรธเราเราอ้างว่าอาจาไม่เห็นเป็นอะไรก็ฉันก็อยู่มานานแล้ว แต่ตั้งแต่ปุญญาตายายเป็นต้นแกก็อ้างไปเรื่อยนี่ก็คือเป็นอาการของความยึดติดที่อาศัยการสะสมประสบการณ์ในเรื่องนี้ไว้ตลอดการยาวนานเาหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการไม่ใช้เหตุผลไม่ใช้บาเยวิธีอันแยบคายเหมาะควรเกิเหตุเกิบผลปิสุนตนมะเรียใชย้คาว่าอายุในสมมติการ คือไม่กระทําไม่หยิบสิ่งเหล่านั้นมาคิดยังมีระบบมีเหตุมีผลถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ยวอย่างแม้แต่เรื่องของสวรรค์วิมารที่ท่านแสดงเอาไว้เทพบุเท่านั้นมีเทพธิดามากมายเด้วยกันก็ดูแล้วอย่างนึกไม่ออกว่าเทพธิดาเหล่านั้นไปทําบุญอะไรไว้จึงมาเกิด ในสวรรค์นี่มากเลยทำไมตัวเองทำบุญมากเกิดแล้วเป็นบริวารเพื่อนทุกทีเกิดแล้วไป่ดีกว่านั้นไม่ได้เลยนะเราก็ทำความดีไว้ตั้งมากไ่แล้วที่สำคัญก็คือว่าโดยหลักที่เราเห็นในชีวิตประจำวันของเราคนทำความดีจำนวนไม่มาก เพราะคนที่บรรลุผลสูงสุดในสังสารวัตรก็ไม่ควรจะมากก็ตํานองใล้ายๆกับคนที่เรียนเนี่ยมันน้อยคนที่ไม่เรียนเพราะฉะคนที่จบการศึกษาต้องน้อยกว่าคนที่ไม่ได้จบการศึกษาเพราะเราดูจากปัจจุบันเราเรไม่ต้องไปคิดอะไรมากแลวบาทีอาจารจะใช้หลักการที่พระเจ้าทรงแสดงว่า คนคนหนึ่งเนี่ยที่ทาคือคนแต่ละคนที่ทำความดีในโลกเนี่ยแต้ก็มีความดีที่มีปริมาณมากพอที่จะบังเกิดในสุขตินั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเหมือนก็โคตัวหนึ่งคือขนโคเนี่ยเทียบ จ, จำนวนคนกลุ่มใหญ่ที่จะต้องตกนรกหมไม้ไปตกความเดิดรอนเพราะฉะนั้นคนที่บังเกิดในสุกติก็เท่ากับเขาโค เราเรียกว่าสองสองต่อเท่าไหร่มันก็มากมายเหลือเกินโคตรโคไม่รู้เท่าไร่ังนั้นเราก็พยายามที่มาคิดให้มีเหตุมีผลแล้วจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นไม่จะมองในลักษณะประเดี๋ยวประดาเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นกระบวนสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มี ม, ม, มันไหลกันไปเรื่อยๆคล้ายๆกับน้ำที่ไหลามาจากยอดภูเขาอิ ม, มาลัยก็ไหลลงมาสู่ทะเลไหลไปได้เรื่อยๆ เหมือนกับ น, น้ําโขงเรามาน้าโขงเราที่ไหลมาจากภูเขาที่ทิเบตเป็นต้นไหลไปอย่างนั้นนียผ่านบ้านผ่านเมืองมามากมายไกลก่อนกระบวนการของธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นที่เราปลูกฝังมันก็ซึมซับมันก็เลื่อนไหลขึ้นมาเรื่อยๆคล้ายๆายกับความชอบใจดังที่กล่าวแล้วชอบใจอาหารก็ได้เพราะเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแก่มาจนบัณฑนี้เรายังกินอยู่ ถ้าหมายความไงมันสะสมจิตสันดานของเราให้เกิดชอบเกิดพอใจเกิดหยุติดเกิดเพลิดเพลินไปต่างประเทศแล้วก็ต้องเอาน้ําปลาไปด้วยอะไรไปด้วยนี่คืออาการเหมือนเหๆกับการของกิเลสเช่นเดียวกันพันธุติความเห็นอย่างหนึ่งที่ก่อเกิดความยึดมัน้นหรือมั่นอย่างแรงแล้วก็นําไปสู่ความทุกข์อย่างที่ประส่วสันเริน ถ้าทำคำสอนของพุทธเจ้าอยู่ว่าสังคิเตนะปัญจุปธานะกันธาทุขาเมื่อกล่าวโดยสรุปยิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ให้เป็นความทุกข์่เวลายึดติดนั้นแกนจะยึดติดลึกๆต้องวิเคราะห์ดูจิตคุณตัวเองว่าทำไมจะไปคิดอย่างนั้นท่านจำแนกออกไปเป็นถึงย0แต่กล่าวโดยสรุปก็อาจจะกล่าวเป็นห้ากลุ่มก็ได้ หรือถือว่าเป็นขันห้านั้นเป็นเราหรือเป็นตัวของเราเรานั่นแหละเป็นตัวของขันห้าหรือแงคิดแยกว่าขันห้ากับเราเนี่ยมันเกี่ยวกันคิดว่าขันห้ามีอยู่ในเราหรือคิดว่าเราไม่อยู่ในขันห้าเอาตัวเองเข้าไปผูกพันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับขันห้าแล้วสุขก็จะสุดจะทุกข์ไปเพราะความเปลี่ยนแปลงของขันห้าชีวิตของคนก็คืดๆหลงๆ แล้วพอสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เกิดทุกข์พัดพรากไปก็เกิดทุกข์แก่ไปก็ทุกข์ตายไปก็ทุกข์แต่ตอนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป